พระภูมิพระภาคอาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมท้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรรมสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมกิจภาวนาการอบรมจิตวิธีหนึ่งก็คือสติปัฏฐานการปฏิบัติตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรม ทุกคนย่อมมีกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันและก็เรียกชื่อต่างๆเป็นขันห้าบังเป็นนามรูปบังหรือเป็นกายใจบัง ฉะนั้นการปฏิบัติตั้งสติในที่ตั้งทั้งสีน่นี้จึงสามารถทำได้และเป็นการสะดวกที่จะปฏิบัติได้ทำได้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตนเองไม่ต้องแสวงหาที่ไหน แสวงหาแต่ตัวสติที่จะมาตั้งและเมื่อได้ตัวสติมาตั้งในกายก็ย่อมจะติดเวทนาจิตธรรมเข้ามาด้วยแต่ว่ากายเป็นส่วนหยาบ ตั้งสติในกายจึงทำได้สะดวกและเวทนาก็อยู่ที่กายจิตนี้เองตั้งสติในเวทนาก็เป็นการสะดวกและเวทนานั้นเราก็อเนื่องกับจิตนั่น ตั้งสติเข้ามาในจิตก็ยอมทำได้และเมื่อได้สติในกายในเวทนามาตั้งสติในจิตก็ยอมจะทำได้สะดวกขึ้นและแม้ว่าจะเริ่มตั้งสติในจิตเอง ทีเดียวก็ย่อมจะทำได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติตามรู้จิตตามเห็นจิตดังที่ตรัสสอนเอาไว้ ว่าจิตมีราคะความติดใจยินดีก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะ จิตปราศจากทโาาากทส ะ, ะก็ให้รู้ว่าจิ ต, จตปราศจากโทสะจิตมีโมหะคือความหลงก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะคือความหลงจิตปราศจากโมหะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตฟุ้งก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้ง จิตหดโห่ก็ให้รู้ว่าจิตหดโห่จิตฟุ้งก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งจิตกว้างใหญ่ก็ให้รู้ว่าจิตกว้างใหญ่จิตไม่กว้างใหญ่ก็ให้รู้ว่าจิตไม่กว้างใหญ่จิตยิ่งก็ให้รู้ว่า จิตยิ่งจิตไม่ยิ่งก็ให้รู้ว่าจิตไม่ยิ่งจิตตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นตามที่ตรัสสอนไว้นี้ เป็นการตรัสสอนจิตทุกระดับทั้งที่เป็นกามาวจรจิตจิตที่ยังลงในกามรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในรูปปัจจานสมาธิ อะโปาวจรจิตจิตที่ยังอยู่ลงในอารูปฌานสมาธิโลกุตรจิตจิตที่เป็นโลกุตระคือพ้นโลกเพราะบุคคลภูปฏิบัติย่อมมีภูมิชั้นต่างๆกันอันหมายถึงว่าภูมิขั้น ภูมิชั้นของจิตนั่นเองภูมิชั้นที่เป็นกามาพจรก็มีรูปปาพจรก็ดีก็มีอารูปาพจร ก, ก็ ม, กมีและที่เป็นโล ก, กุตระก็มีว่าถึงสามัญญชนซึ่งจิต ยังเป็นกามาวจรจิตคือจิตที่ยังลงในกามอันหมายความว่ายังละสัญน์กิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงยังท่องเที่ยวไปในกามารมณ์ อารมณ์ที่เป็นกามคืออารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาทั้งหลายดังสามัญชนทั่วไปจิตที่อยู่ในภาวะดังนี้จึงเป็นจิตที่มีราคะบัง มีโทสะบ้างมีโมหะบ้างเป็นจิตที่หดหู่หรือฟุง้งซ่านบ้างและเป็นจิตที่ไม่กว้างใหญ่เป็นจิตที่ไม่ยิ่ง เป็นจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นเป็นจิตที่ยังไม่หลุดพ้นสำหรับจิตที่ยังมีราคะโทสะโมหะที่หดหูหรือที่พุ้งซ่านนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่ จิตที่ไม่กว้างใหญ่นั้นตัวหมายความว่ายังเป็นจิตที่คับแคบนั่นเองและจิตที่คับแคบนั้นก็หมายถึงว่าจิตที่ยังท่องเที่ยวไปในกามทั้งหลายคือใน วัตถุกรรมอันได้แก่รูปเสียงกปินรสผพิตภัที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายด้วยอำนาจของกิเลสกรรมจิตดังนี้เรียกว่าจิตคับแคบก็เพราะว่าอัน กามาวจริกิตนั้นย่อมประกอบด้วยกามาตัณหาภาะวะตัณหาและวิภาวะตัณหาคือรักใคร่ปรารถนาพอใจในอารมณ์ คือรูปเสียงกลิ่นรสผพตภะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและดิ้นรนต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นและก็ดิ้นรนที่จะกำจัดทำลาย บุคคลหรือสิ่งที่ขัดขวางทั้งหลายหรือว่าที่จะแย่งชิงเอาสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจไปเพราะฉะนั้นบุคคลจึงมีมัจฉริยะคือความตรณีเหนียวแน่นหรือว่ามีความหึงหวงต่างๆ เพราะต้องการที่จะรักษาไว้เป็นของของตนไม่ยอมที่จะให้เฉลี่ยเผื่อแพ่ไปต้องการที่จะให้เป็นของของตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงคับแคบไม่กว้างใหญ่เฉพาะตน คือเพาะตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นกามาวัจรจิตนี้จึงทำให้อัตตาคือตัวตนนี้คับแคบไม่กว้างใหญ่ตรงกันข้ามกับจิตที่กว้างใหญ่คือจิตที่ มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปในตนเองและในสรรพสัตว์ทุกทวนนาการแผ่ไปนี่ของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เมื่อแผ่ไปโดยเจาะจงก็แปลว่ากว้างออกไปแต่ว่ายังไม่หมดต่อเมื่อแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณจึงจะกว้างขวางแล้วจะกว้างขวางเท่าไรนั่นก็สุดแต่ว่าจะสามารถ แผ่จิ ต, ตออกไปในเมตตากรุณามมนิตาอุเบกขาได้กว้างขวางเป็นไม่มีประมาณเพียงไรจิตที่ประกอบด้วยพร ม, มวิหารธรรมทั้งสี่ประการนี้เรียกว่ามหัตตา ก็ได้แปล ว, ว่าตนใหญ่คือว่าอัตตาตัวตนเรานี่เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติแผ่เมตตากรุณามุธิตาอุเบกขาออกไปให้กว้างขวางก็เป็นตัวที่คับแคบ เท่ากับกายเนื้ออันนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเท่านี้แต่ว่าเมื่อแร่ออกไปซึ่งพรหมวิหารธรรมได้กว้างขวางมุ่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย มีความสุขปราศจากทุกข์มุ่งให้รักษาสมบัติที่ได้ไม่ให้เสื่อมและมุ่งให้ มีความที่มีกรรมเป็นของของตนจึงมีจิตใจที่เที่ยงธรรมใครทำกรรมดีก็ได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่ว วางใจเป็นกลางลงไปได้ไม่ว่าในตนเองไม่ว่าในบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามเมื่อทำดีก็ได้ผลดีกรรมชั่วทำชั่วก็ได้ผลชั่ววางใจลงไปได้ดังนี้เป็นกลาง และก็มีเมตตากรุณาที่จะให้พากันละความชั่วประกอบความดีเพื่อที่จะได้มีสุขพ้นจากทุกข์ทั่วกันและก็ยินดีในความดีและผลดีที่ทุกๆคนได้รับอีกด้วย เพราะฉะนั้นในตนเองฉันใดในผู้อื่นก็ฉันนั้นในผู้อื่นฉันใดในตนเองก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีจิตที่แผ่ไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในสรรพสัตว์เหมือนอย่างที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในตน เพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าขยายขอบเขตแห่งความเมตตาในตนออกไปอย่างกว้างขวางตลอดจนถึงไม่มีประมาณคนอื่นหรือตนก็เหมือนอย่าง เป็นบุคคลเดียวกันไม่แตกต่างกันหวังดีต่อตนหวังดีต่อผู้อื่นเหมือนกันคิดจะช่วยตนคิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เหมือนกันยินดีในความสุขความเจริญของตนและในผู้อื่นเหมือนกันและก็วางใจลงไปเป็นกลางในตนในผู้อื่นเหมือนกันในกรรมเพราะฉะนั้น จึงเท่ากับว่าตนเองและผู้อื่นทั้งมนุษย์และเดรัจฉานนั้นเป็นคนเดียวกันไปทั้งโลกเพราะฉะนั้นจึงมีตัวใหญ่ครอบไปทั้งโลกเพราะมีเมตตากรุณามุตตาอเบคาครอบไปทั้งโลก ดังนี้ก็คือว่ามหัศตาตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยพรหมวิหารธรรมที่แผ่ครอบออกไปได้ทั้งหมดเป็นการปฏิบัติดับพยาบาทดับสิเนหาได้ด้วยเมตตาดับวิหิงสา ความเบียดเบียนและโธมนัดความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของผู้อื่นได้ด้วยกุณาดับอรตติความริศิยาและโสมนัสความที่ยินดีอยากจะได้บงังในความสุขความเจริญของผู้อื่นด้วยมุติตา ดับราคะปฏิฆะคือความชอบความชังและความวางเฉยด้วยความไม่รู้ได้โดยอุเบกขาจิตของภูที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงภาวะเป็นมหัตตตาดังนี้เป็นจิตที่กว้างขวาง แต่ว่าทาไม่มีพรห ม, มูหารธรรมเป็นจิตที่คับแคบทามีพรห ม, มิหารธรรมไปได้เท่าไหร่จิตก็กว้างขวางไปได้เท่านั้นและจิตที่ไม่ยิ่งก็คือเป็นจิตที่เป็นสามัญจิตของที่เป็นสามัญชนทั่วไป ที่เป็นกาม m ารจรทั่วไปไม่มีการปฏิบัติในสมาธิที่จะทำจิตให้ได้สมาธิจะเป็นอุปจารสมาธิจนถึงอั ป, ปนาสมาธิก็ตามเพราะฉะนั้น จึงไม่แตกต่างไปจากจิตสามั ญ, ญชนทั้งปวกดังนี้เป็นจิตที่ไม่ยิงและจิตที่ไม่ยิ่งนี้ยังหมายตลอดจนถึงที่ยังไม่เป็นโล ก, กุตรจิตด้วยส่วนจิตที่ยิ่งนั้นตรงกันข้ามนับแต่จิตที่ได้ทําสมาธิ จิตที่มีสมาธิตลอดจนถึงที่เป็นโลกุตรจิตกล่าวคือที่ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาสมบูรณ์ขึ้นไปเป็นจิตที่ครอบงำกิเลสได้ตามภูมิตามชั้น เพราะฉะนั้นจึงสรุปว่าจิตที่ไม่ยิ่งนั้นคือจิตที่ยังครอบงำกิเลสอะไรไม่ได้ยังละกิเลสอะไรไม่ได้จะเป็นการละชั่วคราวก็ตามจะเป็นการละอย่างเด็ดขาดก็ตามเป็นจิตที่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่นั่นเองเป็นจิตที่ไม่ยิงแต่จิตที่ยิ่งนั้นคือจิตที่ ครอบงำกิเลสได้ตามภูมิตามชัน้นเจงครอบงํากิเลสอย่างหยาบยากได้โดยศีลกิเลสอย่างกลางได้โดยสมาธิและกิเลสอย่างละเอียดได้โดยปัญญาทั้งสามนี้ก็รวมกันช่วยกันสําหรับที่จะครอบงํากิเลสทั้งโปร่งได้ดังนี้ก็เป็นจิตยิ่งขึ้นไปโดยลําดับแต่ถ้าหากว่ายังปฏิบัติอะไรไม่ได้ตามสมควร ยังแพ้กิเลสอยู่เรื่อยดังนี้ก็ไม่ยิ่งชนะกิเลสบ้างตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่นั่นแหละจึงยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคนก็สังเกตดูจิตของตัวเองได้เมื่อยังแพ้โลภแพ้โกรธแพ้หลงแพ้ราคะแพ้ตัณหาอยู่ก็เป็นจิตที่ไม่ยิงอะไรแต่ว่าถ้าเอาชนะได้แม้แต่น้อยหนึ่งก็ยิ่งขึ้นมาน้อยหนึ่งก็ยังดี เพราะฉะนั้นก็หัดปฏิบัติที่จะเอาชนะกิเลสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนี้ก็เป็นจิตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับคราวนี้จิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่สมาธิไม่ตั้งมั่นก็คือเป็นจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่หลุดพ้นก็คือจิตที่พ้นกิเลสได้ทั่วคราวก็ตามได้เด็ดขาดก็ตามที่ไม่พ้นก็ยิ่งพ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นภาวะของจิตของบุคคลจึงมีต่างๆที่พระพุทธเจ้ามาตรัสสอนประมวลเอาไว้ในทางปฏิบัตินั้นก็ให้เอาปัจจุบันนธรรมนี่เป็นประการสำคัญคือจิตที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรถ้ามีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะ ไม่มีราคะคือยังสงบอยู่ก็ให้รู้ว่าไม่มีมีโทสะก็ให้รู้ว่ามีโทสะสงบไม่มีก็ให้รู้ไม่มีมีโมหะก็ให้รู้ว่ามีโมหะสงบอยู่ก็ให้รู้ว่าไม่มีมโมหะอันหมายถึงจิตที่เป็นไปอยู่ทั่วไป ยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีกิเลส ท, ที่เป็นอาสวะอนุสัยอยู่หรือไม่เพราะเมื่อยังละสัญญต์ไม่ได้ก็ยังเป็นจิตสามัญแม้จะสงบก็ยังมีราคะอนุสัยมีโทสะอนุสัยโมหะอนุสัยมีอาสวะต่างๆอยู่อันเป็นกิเลสเป็นอันเป็นกิเลสอย่างละเอียด เหมือนอย่างมีตะกอนนอนอยู่ก้นต่มแม่น้ำข้างบนจะใสแต่ตะกอนก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นในขั้นปฏิบัติทั่วไปนี้ก็เอาในพื้นจิตสามัญ น, นี่แหละจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นพยายามที่จะให้รู้จิตของตนอยู่ตลอดเวลาความที่ พยายามที่จะให้รู้จิตของตนอยู่ดังนี้เป็นหลักปฏิบัติพุทธศาสนาที่จะละกิเลสได้เพราะว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพบว่าโดยมากนั้นไม่ได้ดูจิตของตนว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าไปดู ยึดถืออารมณ์ที่เข้ามาและก็ติดอยู่ในราคะโทสะโมหะในโลภะในตัณหาที่บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ในอารมณ์นั้น แต่ไม่ได้ดูเข้ามาทังตัวจิตเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ถูกกิเลสและอารมณ์ครอบงำอยู่เป็นอันมากเพราะไม่ได้ดูเข้ามาแต่ดูออกไปในภายนอกเพราะความยึดถือดึงจิตลงไปเกี่ยวเกาะ อยู่กับอารมณ์ทั้งปวงและกับกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นยังได้บังเกิดกิเลสและได้บังเกิดความทุกข์ต่างๆอันทาจิตนี้ให้ดิ้นรนกวัดแกงกระตับกระส่ายและให้ดูเหมือนว่ารักษายากห้ามยาก ซึ่งวัาดูเหมือนว่านั้นก็เพราะความจริงไม่จะสาไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่เพราะการที่ปล่อยจิตให้เป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของตัณหาเมื่อเป็นดังนี้จิตนี้จึงมีความเชื่อฟังกิเลสตัณหา แต่ว่าไม่เชื่อฟังคำห้ามปรามตักตื่นพระพุทธเจ้าจะทรงห้ามปรามตักตื่นก็ไม่เชื่อฟัง